ปาราชิกสิกขาบทที่สามว่าด้วยการครากายมนุษย์เรื่องโมภิกษุผู้เจริญอสุภกรรมฐานกับตาเถนมิขลันทิกะ162สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณกุตาคาระสาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสรรเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณน า, นาคุณอสุภสมาบัตเนืองเนืองแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆต่อมาพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนอสุภกรรมฐานทรงพรรณนาคุณอสุภกรรมฐานตรัสสันเสริญการเจริญอสุภกรรมฐานตรัสพรรณนาคุณอสุภสมาบัตเนืองเนืองแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการต่างๆแลพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกรรมฐานหลายประการกระทั่งเกิดความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่าย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 ตาเถนมิฆลันธิกะบอกว่าขอโอกาสหน่อยเถิดท่านช่วยฆ่าพวกอัตมาทีเถิดบาทและจีวร น, นี้จกเป็นของท่านตาเถนมิคลันธิกะรับจ้างเอาบาตและจีวรจึงฆ่าภิกษุมากมายเธอดาบเปื้อนเลือดเดินไปถึงแม่น้ำวักคุมุธา163เมื่อตาเถนมิขลันธิกะกำลังล้างดาบเปื้อนเลือดอยู่ ได้มีความกังวลใจเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาบของเราหนอเราไม่มีลาบหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีหนอเราได้สร้างบาปไว้มากที่ได้ฆ่าภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมขณะนั้นเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารตนหนึ่งเดินมาบนผิวน้ำไม่แตกกระเซน็นกล่าวว่าดีแล้วดีแล้วท่านสัตว์บุรุษ เป็นลาบเป็นโชคข อ, ของท่านท่านได้สั่งสมบุญไว้มากที่ได้ช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้ครั้นตาเถนมิฆาลันทิกะได้ทราบว่าเป็นลาบเป็นโชคของเราเราได้สั่งสมบุญไว้มากที่ได้ช่วยส่งคนที่ยังไม่พ้นทุกข์ให้ข้ามพ้นทุกข์ได้จึงถือดาบคมกลิบเข้าไปบริเวณวิหารกล่าวว่าใครที่ยังไม่พ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะช่วย ให้ใครพ้นทุกได้บ้างในภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยังมีราคะเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวส่วนพวกภิกษุผู้ที่ไม่มีราคะย่อมไม่หวาดกลัวไม่ขนพองสยองกล้าวเวลานั้นเขาค่าภิกษุวันละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างสี่รูปบ้างห้ารูปบ้างหกรูปบ้างเจ็ดรูปบ้าง แปรูปบ้างเก้ารูปบ้างสิบรูปบ้างยี่สิบ carbohyd, รูปบ้างสาสิบรูปบ้างสี่สิบรูปบ้างห้าสิบรูปบ้างหกสิบรูปบ้าง